รู้สึกตัวรู้สึกตัวบางคนอ่ะจะบอกรู้สึกตัวเนี่ยทำไม่ได้เพราะไม่มีตัวมีตนจะ <c oughs> ไปรู้สึกเหมือนได้ไง <c oughs> เห็น <c oughs> พวกเราบางทีก็สงสารนะบางทีก็สมเพกบางทีก็สมน้ำหน้า <c oughs> ให้มันเด็ดเดียวเวลาจะภาวนานะปท้อแท้ป้าแป้ขาดกำลังใจต้องการกำลังใจให้สาราที่สุดเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยไปเยี่ยมครูบาอาจารย์งนึ่าไปรู้สิลูกปุมันนะ่ะแล้วไม่สบายแลเข้าไปเยี่ยมท่านก็คุยธรรมะ ก, กัน แต่ในัหลวงพ่อยังเป็นโยมอยู่พูทธมารกกันท่านน้ำตาคลอเลยแล้วท่านบอกว่าท่านเรียนกับหลวงปู่มั่นรุ่นเดียวกันนะเขาพ้นทุกไปหมดแนละ้วท่านยังไม่ได้อะไรเลยทนะ่านออย่างี้แต่ว่าอีกร้อยชาติท่านก็จะไม่เลิก ท่านพูดอย่างนี้นะอีกร้อยชาติท่านก็ไม่เลิกปฏิบัติคือความเด็ดเดี่ยวของท่านนี่สูงมากของพวกเราถ้าภาวนาสองสามเดือนแล้วยังไม่ได้ผลเราก็เลิกแล้วเงนินไม่ไหวทีอยู่กับกิเลสเยกี่ปีก็อยู่ได้ จ่สู้กิเลสนะสู้นิดๆหน่อยๆสู้ไม่ไหวหรอกไม่ต้องรีบร้อนว่าจะต้องบรรูุเร็วๆบรรู้ช้าบา ร, รู้เร็วไม่ได้อยู่ที่อยากอินทรีย์แก่กล้าก็าบรรู้เร็วอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าก็าบรรู้ช้าก็าแค่นั้นเองรู้ใจอินทรีย์ไหม เป็นชื่อของนกชนิดหนึ่งหรือไงหรือชื่อของปลาเวลาที่เราภาวนาอันแรกเราถือศีลไว้ก่อนแล้วก็เวลาที่เหลือเนี่ยมีสติฝึกสติไปเรื่อยๆอย่างหลวงพ่อสอนพระพระมาบวชที่นี่ หลวงพ่อยังบอกเลยว่าไม่เหมือนโยมนะพระวิธีที่หลวงพ่อฝึกพระเนี่ยไม่เหมือนที่ฝึกพวกเราฝึกพวกเราคือเทศให้ฟังแล้วเราไปฝึกตัวเองทำไม่ทำช่วยไม่ได้ใครจะไปคุมให้เมื่อก่อนตอนเป็นโยมเคยคุมเหมือนกัน คุไม่เพื่อนคือหนึ่งปฏิบัติเขาอายุเยอะกว่าหลวงพ่อเราสอนให้ภาวนาเขาต้องเดินจงกรมถ้าเขาไม่ได้เดินจงกรมเนี่ยเขารู้สึกตัวไม่ได้เราก็บังคับให้เดินแกเดินเดินเท้าแกบวมนะแกขึ้นบันไดไม่ได้ขึ้นชั้นสองเลยแกย้ายจากห้องนอนทั้งงบนลงมานอนข้างล่าง แวันไหนทครขี้เกียจเดินจงกรมเนะี่ยงพ่อจะโทรไปเดินได้แล้วนะถึงเวลานะก็แทบพีการเลยคนนั้นะแต่ว่าคุ้มค่าผลที่ได้แต่สอนพวกเราตอนนี้ทำแบบนั้นไม่ไหวแนละ้วเพราเราเยอะเกินแต่เวลาสอนพระเนี่ยสอนอย่างนั้นอยู่ ทุกวันหลวงพ่อเดินตรวจแถวการภาวนาใครทำไม่ทำเราเห็นหน้าเราก็รู้แล้วคนไม่ภาวนาอยู่ที่นี้ไม่ได้อยู่ไม่รอดทนอยู่ไม่ได้ทนเองไม่ได้นะมีใครก็ว่าเลยทนอยู่ไม่ได้วิธีสอนพระเนี่ยทำไมคุณภาพดีกว่าโยม เราต้องทำอะไรบ้างถ้ามีพระวินัยต้องรักษาพระวินัยเร็นบวชมาอยู่ที่นี่วันแรกที่ต้องเรียนที่เรียนวินัยแล้วถ้าเคยบวชมาก่อนเนี่ยต้องถูกตรวจสอบย้อนหลังด้วยว่าซ่อนอาบัต์เก่าๆมาหรือเปล่าเเข้มเกินขนาดนี้นะพอวินัยผ่านแล้วก็เริ่มเรียนธรร ม, มะวิธีที่จะได้ธรร ม, มะ รักษาพวินัยไว้วินัยไม่ได้มีแค่ศีลสองยี่ดนะของพระ227้ยี่สบ็ดข้อเนี่ยเรียกว่าวินัยที่อยู่ในปฏิโมกย์มีนอกปฏิโมกยอีกแล้วมีข้อวัดปฏิบัติสิบสี่สิบสี่ข้อวัดที่จะต้องปฏิบัติบางอย่าง ถ้าไม่ปฏิบัติไม่ผิดเหย่อนทุตองขวัดมีสิบสามข้อไม่ปฏิบัติไม่ผิดอันนี้แล้วแต่จะเลือกแล้วแต่พอใจวัดอย่างอื่นถ้าไม่ปฏิบัติผิดอาบัตข้อวัดตต่างๆของพระเนี่ยเยอะมากเลย พระวัดทั้งหมดมีไปเพื่ออะไรเพื่อความมีสติถ้าขาดสติตัวเดียวเนี่ยรักษาไม่ได้จะด่างพร้อยทันทีเลยได้ยินว่าวัดอื่นๆเขาไม่ถือพระวินัยกันนะบางที่บอกตั้งแต่ตั้งวัดมานานนักหนาหลายสิบปีเป็นร้อยปีไม่เคยมีพระอยู่ปริวาตรเลย มีปริวาสปลอมๆนะทุกวันนี้ที่ไปจัดกันไม่ใช่ปริวาสจริงร อ, อย่างพระอาบัติเนี่ยถ้าอาบัตรรุนแรงประชิกก็ออกจากวาัดไปเลยขาดจากความเป็นพระถ้าสังฆาธิเศษต้องอยู่ปริวาสถ้าอาบัตรรองลงมาก็าถูกตักเตือนเตือนบอกสารภาพมา ตัวเองผิดอะไรสิ่งเหล่านี้มันช่วยทำให้พระมีสติได้ดีพระวินนะัยถ้าขาดสติไม่ไรรักษาวินัยไม่อยูอ่เอาไม่รอดอย่างเราจะยืนคุยกับพระผู้ใหญ่กว่าเราต้องมีความวองไวนะอย่างเราเห็นพระผู้ใหญ่ถ้าไม่ได้ใส่รองเท้าเนี้ยเราใส่รองเท้าก็ไปยืนคุยด้วยไม่ได้นะอาบัตย ละเอียดขนาดนั้นเราเห็นฝนตกนะเราก็รีบกางรม่มถ้าผู้ใหญ่เดินอยู่ไม่ได้กางเราไปกางอยู่ก่อนนะก็ไม่ได้นะถือว่าไม่เคารพเนรายละเอียดมันเยอะนะลือชั้นในบาดเสร็จแล้วจนะออกประตูต้องวางบาดลงก่อนเปิดประตูเอาบาดออกไปแล้วก็ปิดประตู วางบาดลงแล้วปิดประตูเนี่ยพระวินัยเข้มมากเลยนะสำหรับพระเชียวอาหารดังจับจับจับก็ไม่ได้นะนไอย่างงี้ยไม่ได้อาบาดเนี่ยคุมเข้มกระทั่งขับถ่ายเบ่งอึยังไม่ได้เลยเห็นไหมว่าวินัยเข้มงวดมากมีเยอะเลยทำไมท่านไม่ให้เบ่ง เดี๋ยวความดันขึ้นแล้วตกส้วมตายซะ ก, ก่อนเพืนะ่อนพระเนี่ยถือพระวินัยถือข้อวัดปฏิบัตนะิแล้วจุดสำคัญคือความมีสติหลวงพ่อไม่ได้มานั่งจำจี้จำชัยหลวงพ่อเช้าๆชาหลวงพ่อเดินดูเราก็จะรู้แล้วว่า หนึ่งวันหนึ่งคืนที่ผ่านมาเนี่ยอยู่กับความมีสติไหมถ้าไม่ได้อยู่กับความมีสติวันนี้เป็นนี่เป็นนี่นะกินข้าวชาวบ้านแต่ว่าขาดสติทั้งวันเลย เ, เล่นเฟซเล่นไลน์พ้าเล่นอินเทอร์เน็ตไม่มีโอดีได้หรอกยากมาก แค่จะฝึกให้มีสติย่างยากเลยนะนี่ไปเล่นเฟซบุ๊กเล่นอะไรน่าเกลียดภาวนาไม่ขึ้นหรอกจุดสำคัญคือความมีสติมีสติไม่ใช่สติธรรมดามันเป็นสติปัฏฐานสติปัฏฐานต่างกับสติธรรมดาคือสติธรรมดานี่รู้อารมณ์ที่เป็นกุศลทั่วๆไปแต่สติปัฏฐานเนียรู้รูปนาม รู้กายรู้ใจไม่เหมือนสติธรรมดาเดินแล้วไม่ขาดสติก็เดินไม่ตกถนนอะไรเงี้ยไม่เปเผลอไปเหยียบหมาเข้าถูกหมากกัดอะไรเงี้ยอย่างนี้ล้วมีสตินี่สติอย่างโลๆสติของนักปฏิบัติคือสติปัะฐานรู้กายเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเช่น ไม่ต้องดูทั้งหมดหรอกนะดูบางอย่างเีกกายในกายดูกายบางอย่างถ้าเข้าใจแล้วเข้าใจกายทั้งหมดเข้าใจถึงจิตด้วยเวทนาในเวทนานี่ดูเวทนาบางอย่างล้วเข้าใจแล้วเข้าใจทั้งกายทั้งจิตเลยเข้าใจหมดดูจิตก็เข้าใจหมดแหละทั้งกายทั้งจิตจิตเราเนี้ยเปลี่ยนแปลงตามองเห็น เปลี่ยนหูได้ยินเสียงจิตก็เปลี่ยนตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือร่างกายังั้นการมีสตินะมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจไปทั้งวันต้องฝึกอย่างนี้จะมาเผลอเอเพลินๆิอะไร เ, เ, เงี้ยไม่ได้เอาดีไม่ได้ชีวิตของพระเนี่ยเป็นชีวิตที่เหมาะกับการปฏิบัติเพราะไม่มีภาระที่ต้องคิดมาก ไม่ต้องทำมาหากินคุฏิก็มีให้อยู่ผ้าก็มีให้นุ่งให้หม่มไม่สบายยาก็มีให้ใช้อาหารก็มีให้ฉันอาหารพระเยอะๆนี้บิณฑบาตไม่พอฉันหรอกหมู่บ้านเล็กๆอย่างนี้นะเลี้ยงพระได้สองสามโมงเอาหารที่บิณฑบาตเนี่ยพอฉันสองสามโมงนี่พระเยอะๆก็ต้องมีแม่ครัวมีอะไร ทีพวกเราก็เอาอาหารมาอะไรพระไม่ต้องรับผิดชอบถึงเวลาก็ถือบาทเดินไปขอข้าวเขากินพระไม่ได้ยุ่งเรื่องปัจจัยสี่มีเวลาที่จะภาวนาเยอะแต่ก็ถูกแบ่งออกไปต้องไปเรียนนักธรรมไปเรียนอะไรต่อในไรมันก็จำเป็นพระไม่มีความรู้ทางปริยัติเลยก็ปฏิบัติไม่ถูกเหมือนกัน นึกว่าทําถูกหรือว่าทําผิดถ้าไม่ต้องเรียนปริยัติเนี่ยเวลาทั้งวันเนี่ยคือเวลาปฏิบัติตื่นนอนมาเนี่ยพระชอบเดินชงกรมเดินเพื่ออะไรเพื่อจะได้รีบขับถ่ายซะก่อนที่จะไปบินธบาตเดินไปบินธบัติแล้วไปขับถ่ายเนี่ยมันเรื่องยุ่งยากลําบากงั้นตื่นมาพระก็เดินแล้ว เนี่ยก็คือปฏิบัติตอนเดินวินธบาศก็เป็นเวลาปฏิบัติบางทีเดินไปทั้งไกละเดินไปเจอหมู่บ้านนะไม่มีคนเลยทั้งหมู่บ้านเขาปิดบ้านไปหมดละ ว, วันเนี้ยคงไม่ได้กินข้าวแล้ว่ะถ้าบวทใหม่ๆนะคิดว่าวันนี้ไม่ได้กินข้าวแล้วใจฟอ่อนนะแค่นี้ก็ได้ปฏิบัติแล้ว พอเจอคนใส่บาตรดีใจมีคนใส่เยอะแมมดีใจพอคนใส่เยอะๆกอ<ม>กูนี่บุญวาสนาสูงนี่ก็กิกเลสอีกละ<ม>พอเยอะเข้าจริงช่างโมโหห น, นักแล้วโว้ยเราพ่าเคยเจอนะใส่แตงโ ม, โมทั้งลูกเลยนันบนใหม่ๆฮะมันใส่ลงป๊๊ลงไปเนี่ยบาทเราเนี่ยข้าวไม่ได้งใส่แล้ว บาคนศรัทธาแก่กล้าถาวายข้าวหลามเพราะไม้ไผ่หนึ่งมัดเริ่อมใสมากถ้าทางหลวงพ่อดูหน้าเรื่อมใ ส, ใสพระก็กลุ่มเหมือนกันนะถ้ามียุคหนึ่งเนี่ยชอบใส่น้ำกลัวว่าตายแล้วเป็นผีอดน้ำนี่งโง่จริงเลยผีไม่ได้กินน้ำผีกินบุญ พี่ไม่ได้กินน้ำเราก็เอาน้ำใส่บาด น, นะจนพระอดข้าวกลับมาวัดนี่ต้องเล่นอาโปกสิทธิ์แล้วมีแต่น้ำเนี่ยพระนะแค่บินทบาทนะก็วัดใจได้ตั้งเยอะแล้ววัดใจได้เยอะเลยมาชันอาหารส่วตเราบินทบาทมาเราอยากได้ ผม่อยากได้ข้าวเหนียวตัวดําตั้งนานแล้วไม่ได้เลยองค์อื่นได้ทุกทีเลยเราไม่เคยได้เลยใจก็แห้งแรงแห้อยากกินข้าวเหนียวตัวดำกกนเนี่ยกิเลสเล็กๆสําหรับโยมไม่มีความหมายอยากกินข้าวเหนียวตัวดําก็ไปซื้อกินจบเนี่ยพระาองค์อยากกินข้าวเหนียวตัวดําเป็นปีเลยไม่ได้กินอะแล้ววันหนึ่งเห็นเขาใส่ข้าวเหนียวตัวดำเนี่ยมีเรื่องจริงนะเนี้ยพระจะเล่าให้ฟัง ไม่ใช่พราที่นี่รู้สิหลวงผู่สิมล่าให้ฟังเห็นคนใส่อยู่ดีใจนะเดินเข้าแถวไปพอถึงตัวเองนะหมดท่านบอกเนียโอ้โหใจเนี่ยสลดเลยก็ยัอดทนนะอดทนอีกวันหนึ่งได้ข้าเหนียวตัวดำมาลนะอยู่ในบาทแลปลื้มใจมากเลยอดมาปีหนึ่งแล้ว ถึงเวลาฉันถ้าพวกเรามาเร็วๆจะเห็นว่าพระที่นีน่อาหารทั้งหมดที่ได้มานะเทรวมกันแล้วมาตักแบ่งกันเขาเดี่ยวตัวตามันมาหมดองค์ที่มัดก่อนถึงด้านหยิบไปซะก่อนท่านบอกวันนั้นนะคืนนั้นนะอยู่ในกุฏินี่ร้องไห้เลย สงสารตัวเองว่าทําไมชีวิตเราลําบากขนาดนี้ไม่ลําบากเรื่องอื่นเลยนะลําบากไม่ได้กินข้าวเหนียวตดําฟังเลาวฟังเลาวสงสารเป็นลูกเศรษฐีนะพ่อแม่มีเงินเป็นร้อยล้านอะไรเงยลูกคนเดียวด้วยทำไมชีวิตลําบากขนาดนะั้นแต่ท่านสู้นะท่านบอกท่านอยากได้ธรรมะท่านต่อสู้ที่เล่าให้ฟังเพื่อให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย วิธีของพระอ่ะวิธีของพระเนี่ยเห็นกิเลสได้ชัดแล้วกิเลสเล็กๆน้อยๆเนี่ยรุนแรงมากเลยแช่เรื่องความต้องการทางเพศร้ายแรงมากนะถ้าเป็นพระดีนะพระเร็วไม่เดือดร้อนแล้ก็เหมือนโยมโยมเนี่ยเกิดความต้องการทางเพศก็ตอบสนองด้วยตัวเองบ้างด้วยคนอื่นบ้างแต่พระเนี่ยทําไม่ได้ เวลาเกิดการต้องานทางเพศเ น, นี่ยทุกทรมานมากเลยงั้นเวลาเกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาจะรู้สึกว่ากามเนี้ยนําความทุกข์มาให้อย่างมหาศาลไม่ใช่การมาสุขนะมันคือการมาทุกข์มันเป็นโทษอย่างร้ายแรงเลยถ้าพวกอ่อนแอก็แพ้มันไปถ้าพวกเข้มแข็งต่อสู้เอาชนะมันจนได้กิเลสแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ย กว่าจะชนะได้ไม่ใช่ง่ายนะกว่าจะชนะแต่ละตัวเนี่ยงิ่นถ้าพวกเราพอนานิดๆหน่อยๆแล้วหวังว่าจะได้นู้นได้นี่เพอเจอเพอเจอเกินไปถ้าอยากถึงพระอรหันต์ก็ต้องเอาชีวิตเข้าแลกพูดจริงๆนะไม่ได้พูดขู่ถ้าอย่างโสดาสกาคาเนี่ยเอาศีลห้านั่ น, นแหละแล้วอดทนมีสติให้มากๆมีศีล มีสติอยู่ตลอดเวลาดูกายดูใจไปนะไม่นานก็ได้แต่ขั้นแตกหักเนี่ยไม่ใช่ง่ายหรอกยากจริงๆเลยที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกนิพพานอยู่ฟากตายนะเรื่องจริงเยต้องกล้าตายเป็นตายถึงจะได้นะแต่ธรรมะต้นๆไม่ถึงขนาดนั้นนะนะเราไม่ต้องกลัวงั้นอย่างพลาเนี่ย ต้องมีสติขาดสติมา่ไหร่เนะี่ความทุกข์มาเล่นงานทันทีเลยชีวิตลำเคินนะขนาดหลวงพ่อนะยังลำเคินเลยยังเราออกไปเทศนะนั่งรถไปในเหงื่อโสมเลยนะร้อนมากเข้ากรุงเทพเนี่ยกรุงเทพมันนรกทั้งเป็นอนะร้อนบ้านเมืองไม่มีความสุขไม่มีความสงบเต็ไมไปด้วยความโรก ทังสิ่งแวดล้อมทั้งมนุษย์ทั้งอะไรเราไปถึงเราเหนื่อยร้อนมากเลยขึ้นเทศเขาก็เอาน้ําร้อนมาตั้งตังน้ำร้อนเราก็ขอก็แห้งนะมีแต่น้ําร้อนเราก็ตั้งใจรอเดี๋ยวน้ําเย็นแล้วเราจะได้จิบซะหน่อยมันยังไม่เย็นแต่แต่พอน้ํามันเริ่มเย็นนะเขาก็ขึ้นมาบนเวทีหยิบออกไป เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ครับน้ํานี้เย็นแล้วนะเราบอกอเวลาที่อาุสนให้ผลนี่มันให้จริงๆนะเป็นพลานะียอยากได้ของร้อนก็ได้ของเย็นอยากได้ของเย็นก็ได้ของร้อนเนี่ยพระสารีบุตรพูดไว้เพรนชีวิตพลาเนี่ยหมองกับการภาวนา ม, มากเลยเพราะมันเห็นกิเลสได้ชักดกิเลสเล็กๆน้อยๆเ น, นี่ยนะสําหรับพลาแล้วแปลง ไม่ใช่เบาหรอกแรงเงินดูง่ายถ้าต่อสู้จริงๆนะใจแข็งต่อสู้จริงๆที่จะเอาชนะกิเลสเนี่ยมันง่ายไปโยมโยมกิเลสมาก็ตามใจกิเลสไปไม่เห็นทูกเห็นโทษหรอกพระถ้ากิเลสมาเนี่ยมีแต่ทุกมีแต่โทษนั้นบวชมาได้ก็ขยันภาวนาให้คุ้มกับความลำบาก ลืมไปวันนี้ไม่ได้เทศพระวะ่ะเทศให้โยมฟังนะวันนี้พระเยอะหรือสัดพระสักก่อนนะวิเนยต้องรักษาหนาะอย่านึกว่าใครเขาไม่รู้นะสติสำคัญที่สุด น, นี้พอเรารักษาศีลอันนี้ทั้งพระทั้งโยมนะรักษาศีลไว นะพระก็มีศีลเยอะหน่อยโยมมีศีลห้าข้อแต่สิ่งที่ต้องมีเหมือนกันคือมีสติร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกดูได้ทั้งวันดีที่สุดแต่โยมต้องแบ่งเวลาไปทำหากินสักส่วนหนึ่งนะพระไม่ต้องแบ่งเวลาไปจเจริญสติได้ทั้งวันเลยข้อวัดทั้งหลายของพระเนี่ยเหมาอกการเจริญสติเท่านั้ น, นนะโยเว้นกันเรียนนักธรรมการเรียนหนังสือนะยังไปกวาดวัดเนะี่ยก็มีสติได้ ล้างส้วมก็มีสติแลพระทําส้วมโสโปรกเนี่ยไม่ดูแลรักษานี้อาบัตนะมีวินัยเรื่องส้วมมีข้อวัดเรื่องการรักษาส้วมเห็นไม่ละเอียดยิบเลยนี่ถ้าพวกเราเป็นโยมเนี้ยเราก็รักษาบ้านเราให้สะอาดอย่าปล่อยโสโครกกระทั่งของข้างนอกอย่างโสโครกเลยจะไปล้างใจให้สะอาดเนี่ยยากเพราะว่าไม่เคยชินกับความโสโครกซะแล้ว งั้นเนี่ยข้อวัดทั้งหลายที่พระมีเราก็ดวงบางอย่างเรา่าเอาไปใช้ได้บางอย่างก็ไม่ต้องใช้ไม่ควรใช่บางอย่างก็ใช้ได้ก็มีสติไปรักษ า, า, าศีลมีสติอยู่ทุกอิรยาบถจิตจะค่อยๆมีพลังนะค่อยๆมีพลังมากขึ้นมากขึ้นนะในสี่วนมันเด่นดวงขึ้นมามีพลังเต็มที่ขึ้นมา ศีนสมาธิปัญญามันสมบูรณ์สติสมาธิศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาเนี่ยเต็มขึ้นมารวมแล้วก็คือศีนสมาธิปัญญาเต็มขึ้นมาเนี่ยจิตมันจะก้าวกระโดดไปสู่โล ก, กุตตะลาเองมันเป็นเองนะไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมากคผลได้จิตบรรลุเองเมื่อศีนสมาธิปัญญาสมบูรณ์ศีนสมาธิปัญญาสมบูรณ์ได้ด้วยการที่เราฝึกสติบ่อยๆ มีสติรู้กายรู้ใจของเรานี้แหละเคยทําผิดศีลได้เพราะว่ากิเลสมันครอบงำจิตโอ้กิเลสเกิดปุ๊บเรามีสติรู้ทันกิเลสครอบจิตไม่ได้ศีลเราก็มีสมาธิเราเสียไปเพราะอะไรใจมันฟุ้งซ่านมีนิวรณ์ใจนฟุ้งซ่านหัวโจย์ของนิวรณ์ก็คือตัวฟุ้งซ่านนั่นแหละฟุ้งไปแล้วชอบบ้างก็เป็นกรรมมาฉันทานิวรณ์ฟุ้งไปแล้วเกลียด เป็นพยาบาทเป็นพยาปาทานิวรฟงมากๆก็โมโหงุ่หงิดเป็นอุทัศจักจกุกขจักฟงมากๆก็สงสัยเกิดลังเลสงสัยอย่างนี้ถูกหรืออย่างนี้ผิดนะยิ่งคิดยิ่งงงนะและ้ววิจิกิจฉาฟงมากๆแล้วหมดเรี่ยวหมดแรงซึมกระทือไปเลยนะหมดแรงหมดกําลังใจเป็นทีนามิทะซึมเชื่อมซึม นิวรณเนเป็นศัตรูของสมาธินิวรณ์แพ้สติเงินถ้าใจฟุ้งซ่านรู้ทันปับ๊บนิวรณ์ดับนิวรณ์ดับแล้วอะไรเกิดสมาธิเกิดนิวรณ์เป็นศัตรูของสมาธิเนี่เรามีสติรู้ทันจิตที่หนีไปคิดนั่นแหละสมาธิเกิดฝึกบ่อยๆ แล้วการที่จิตไหลไปคิดเรารู้ทันจิตตั้งมั่นขึ้นมาเรารู้ทันเราก็จะเห็นปัญญามันจะเกิดนะจิตที่เคลื่อนไปก็ไม่เที่ยงจิตที่ตั้งมั่นก็ไม่เที่ยงจิตที่เคลื่อนก็ไม่เที่ยงจิตที่ตั้งมั่นก็รักษาไม่ได้จิตที่เคลื่อนก็ห้ามไม่ได้เห็นอนิจจังบ้างเห็นอนัตตาบ้างนี่คือการเจริญปัญญา การที่เรามีสติค่อยรู้เท่าทันจิตใจตัวเองเรื่อยๆศีล ส, สมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นพอเกิดมากขึ้นมากขึ้นนะมันมากพออริยมรรคก็จะเกิดขึ้นเองไม่มีใครสั่งให้เกิดได้นี้ถ้าเราขยันภาวนาแล้วเราก็ปล่อยขี้เกียจขึ้นมาปล่อยทิ้งก็เสื่อมมีแรงก็มาภาวนาอีกเดี๋ยวก็เสื่อมอีกมันไม่ก้าวกระโดดไปสู่โลกุตตระสักทีทำกี่ปีก็ไม่สำเร็จ มันต้องฮึดสู้ทําต่อเนื่องไปทั้งวันได้ยิ่งดีถ้ามีงานต้องคิดต้องทำเลยก็ทำไปช่วยไม่ได้เรามีหน้าที่ท่องทำงานแต่ว่าหมดเวลาทำงานแนละ้วเป็นเวลาของเราเองเนี่ยภาวนามีสติถ้าทำได้อย่างหลวงพ่อว่านะมรผลไม่ไปไหนไม่ไปไหนไกลหลวงพ่อภาวนาแบบที่เล่าให้ฟังเนี่ย ตั้แต่เป็นโยมพระยังเคยถามหลวงพ่อเลยว่าโยมทำได้ยังไงโยมภาวนาปีหนึ่งเหมือนพระภาวนาสิบปียี่สิบปีก็ภาวนายี่สิบปีเพราะว่าไม่ค่อยมีสติทั้งวันเลยยี่สิบปีมันก็ไม่ได้อะไรถ้าหลวงพระมีสติอยู่สิทำไมจะไม่ได้ขนาดโยมมีสติอยู่เรื่อยโยมยังทำได้เลยพระก็ทำได้ ถ้าเราสองส่อสู้เอาถือศีไหมแล้วมีสติไปเรื่อยๆรู้เท่าทันใจของตัวเองไปเรื่อยๆศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์เมื่อไหร่อริยมรรคก็จะเกิดเมื่อนั้นมันจะพ้นทุกนะพ้นโลกพ้นทุกมีความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนเลยเอาให้พวกอยู่วัดส่งกันบ้านไม่ส่งก็ส่งไม่แล้วแต่สมัครใจ ขาบน้ำสการหลวงพ่อครับเออพิ่งมาครั้งแรกแล้วก็ปกติจะเป็นคนติดเพ่งครับแล้วก็วก็ต้องใช้สมาธินำปัญญาที น, นี้พอมันเพ่งปุ๊บก็เลยจะไปดูอาการแน่นลักษณะนั้นแล้วก็หรือไม่ก็เคลื่อนไหวร่างกายให้มันมหายไปประมาณนี้ครับมันเพ่งเพราะว่ามันโลภอยากปฏิบัตินะ เงินถ้ามันเพง่งขึ้นมาเนี่ยที่ง่ายๆเลยลืมเรื่องปฏิบัติไปแล้วรู้สึกเห็นร่างกายมันหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกอยู่ที่กายไปเลยแต่ถ้ารู้สึกแล้วก็ยังเพ่งไม่หายนะคิดพิจารณาร่างกายเข้าไปเลยตั้งแต่ผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยไล่พิจารณาไปเรื่อยผมไม่ใช่ตัวเราดูง่ายนะในร่างกายเนี่ยผมดูง่ายที่สุดว่าไม่ใช่ตัวเราลองจับดูซิจับแล้วรู้สึกไหมผมไม่ใช่ตัวเรา รตัดอยู่ทุกเดือนอ่ะถ้าเป็นตัวเราเราก็ตายไปแล้วละเอตัดอยู่ทุกเดือนทุกเดือนขนเล็บอย่างเล็บก็ตัดทุกอาทิตย์ใช่ไหมเนี่ยของพวกนี้ดูง่ายว่าไม่ใช่เรางี่นพิจรารณาคิดลงไปเลยถ้าจิตมันติดนิ่งนะก็คิดพิจรารณาไปว่าผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุของโลกแล้วเราก็ต้องคืนโลกไปเรื่อย อย่างผมก็เล็บฝ น, นังเนี้เราคือโลกอยู่ทุกวนะัน่หนังเราก็ร่อนหลุดอยู่เรื่อยๆนะเศษหนังร่วงไปเรื่อยๆไอ้พวกไายฝุ่นเราไปกินแล้วเราก็ไปแพ้ไายฝุ่นมันกินจับตัวเรานะแล้วเราก็แพ้มันอย่างน่าเจ็บใจมากเลย <c oughs> อย่างเนี้ยจิตตรงนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันแล้วรู้สึกไหมจิตตรงนี้กับเมื่อตะกี้นี้ก็ไม่เหมือนกันอีกแล้วรู้สึกไหมตรงเนี้ยใช้ไม่ได้เอียพอไปเพ่ง ตรงจิตที่ไม่ได้คิดเรื่องปฏิบัตินะไม่เพง่งไปคิดเรื่องปฏิบัติแล้วถึงจะเพง่งงั้นลืมคําว่าปฏิบัติไปซะแค่รู้สึกตัวไปดูกายดูใจมันทํางานอย่างที่มันเป็นนะจะได้รู้สึกกายรู้สึกใจโดยไม่เพง่งถ้ามันเพ่งก็คิดพิจารณาร่างกายลงไปอา้าต่อไปขออนุญาตที่คำถามครับอืเ อ, อเวลาที่จิตมีสติตั้งมั่นไว้พอสมควรเนี่ยครับรู้สึกเหมือนกับว่า เห็นเหมือนคล้ายๆร่างกายไม่ใช่เราซึ่งถูกถูกนะครับอืครับเดี๋ยวว่าแต่ร่างกายไม่ใช่เราเลยความรู้สึกยังไม่ใช่เราด้วย เ, เห็นไหมสุขทุกข์ดีชั่วก็ไม่ใช่เราถ้าจิตเราตั้งมั่นขึ้นมานะอะไรๆก็ไม่ใช่เราแล้วต่อไปเราพอจะเห็นนะตัวจิตนะี่ผู้รู้ที่ตั้งมันนะ่นอ่ะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงไปนี่ก็ไม่ใช่เราเหมือนกันสุดท้ายก็จะเห็นว่าไม่มีเราหรอกไปทำอีกไป ที่ผิดอยู่ก็คือเรื่องเพ่งนะหลวเพิ่งมาอยู่ครั้งแรกค่ะอันนี้ไม่ต้องบอกเพราะว่าพวกที่จับฉลากคือพวกที่ไม่เคยอยู่วัดค่ะนะแล้วก็ไม่ขอาการบ้านค่ะสอนมาตั้งแต่เช้าแล้วถือศีนแล้วก็มีสติรู้ ก, กายรู้ใจไปมาสการค์ค่ะหลวง่อตอนนี้ตื่นเต้นค่ะ เมื่อวานปฏิบัติอาคาตอนกังวันรู้สึกมีความง่วงค่อนข้างเยอะ<ม>ก็เลยเปลี่ยนจากนั่งสมาธิหลับตากันดึงตาแล้วก็<ม>เคลื่อนไหวแทน<ม>สักพักพอตื่นล้วก็เดินจงกรมแต่พอช่วงเย็นพอดีเปิดวิทยุในกุฏิอคะ่ะหลวงพ่อเทศเรื่องผีก็เห็นความรู้สึกตัวเองแบบๆแบบแบบระหว่างเดินจงกรมะคะ่ะว่ามันมีเดินข้<ล>าในหรือเดินข้างนอกเดินข้างในคะน่ะไม่ได้บรรยากาศ <laughs> พอฟังซีดีเรื่องผีแล้วเนี่ยออกมาข้างนอกเดินใจยังไม่กล้าค่ะค่อยๆฝึกค่ะแต่คือมันเห็นเป็นแบบๆที่เป็นความรู้สึกที่มันขึ้นมาว่าเออกลัวเป็นช็อปๆแล้วมีตุ๊กแกตัวใหญ่ตกลงมาพอดีก็เลยมันมันสะดุ้งแล้วมันก็หายไปก็เลยรู้สึกว่าอเออต้องอย่างนั้นสิค่ะแล้วก็เดินต่อ พอมันกลับมาอยู่กับกายก็เลยความรู้สึกกลัวมันก็หายไปเป็นปกติแล้วพอนั่งสมาธิต่อก็รู้สึกว่าจากที่มันเคยคิดค่อนข้างถี่มันกลายเป็นว่ามันไม่เห็นความมันไม่เห็นความชิดที่มันผ่านเข้ามาก็รู้สึกว่ามันมันสงบนิ่งขึ้นแต่ก็ยังแต่ก็ยังมีบ้างเล็กน้อยเราไม่ได้ฝึกให้ไม่คิดนะแค่ฝ <c oughs> ึกแล้วคิด <c oughs> ก็ไม่เป็นไรแต่คิดแล้วเกิดสุข <c oughs> เกิดทุก็ให้รู้ทัน เกิดกุศลเกิดอกุศลก็ให้รู้ทันฝึกไปงนะั้นที่นี่ดีไหมมีตุ๊กแกมีมีงูด้วยนะงูตั้งหลายอย่างเนะี่ยบางทีมันไปโผล่ในถั่วม่วงก็เคยนะงั้นก่อนจะนั่งอะไรเนะี่ยเอาไฟใายส่องดูก่อนหรืองูหนูอยากจ ะ, อกจะขอให้หลวงพ่อช่วยแนะนำมาค่ะว่า ที่ปฏิบัติมาเรายังมีสิทิอะไรมันยังไม่พอกําลังของจิตยังอ่อนอยู่นะฝึกบ่อยๆแล้วไม่จะแข็งแรงขึ้นจะเดินจงกลมหมือนั่งสมาธิหลับลืมตาไดสามารถอะไรก็ได้ขอให้มีสติใช่ได้แล้วขาดสตนะิถึงเดินจงกลมทั้งคืนหรือไม่ได้เรื่องหรอกเหรือมนมันไม่ได้อยู่ที่กระบวนท่านั่งดีหรือเดินดีมีสติทางหากดี มรสการค่ะหลวงพ่อรู้สึกไหมว่าเราประคองจิตอยู่ขดเนี้นิดนึงค่ะเออนิดนึงก็รู้น ะ, ะนิดนึงก็คือความปรุงแต่งนั่นแหละอันนี้เรียกว่าความปรุงแต่งฝ่ายดีเราอยากเป็นคนดีเราก็ปรุงแต่งทำจิตให้นิ่งๆให้ดูเรียบร้อยอะพ้นมันก็คือทุกข์ค่อยๆรู้ไปอย่าง น, นี้จิตมันเกิดสังเวชขึ้นมารู้สึกไหมรู้สึกค่ะ ดูไปที่ความรู้สึกสังเวชความสังเวชมันถูกรู้ถูกดูเห็นไหมว่ามันหายไปนะ้มันเกิดแล้วดับต่อไปไปดูแบบนี้แหละทุกๆความรู้สึกที่เกิดนะเราก็แค่รู้เฉยๆเขาจะสอนธรรมะเราเองว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับไปทำเอาอคุณค่ะกรรมลมัสการค่ะแป๊บหนึ่งหลงแล้วรู้ไหมเออเนี่ย พนเ่าแล้วนะนะไม่พ้นหรอกออค่ะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมีคนตื่นเต้นมากกว่าหนูอีกรู้ไหมใครนี่หัวใจจะวายอยู่แนละ้วเป็นยังไง ค่ะก็ทารูปแบบก็รู้สึกว่าทาทําได้ง่ายขึ้นค่ะหลวงพ่ อ, อแล้วก็บางครั้งก็เหมือนก็ยังติดติดสงบอยูอ่ค่ะฝึกไปไม่ได้ฝึกให้สงบลงนะแต่ว่าการที่เรามีสติเรื่อยๆไปมันสงบของมันเองแล้วเราก็ค่อยเรียนรู้ไปทัางกายนี้ถูกรู้ไม่ใช่เราความรู้สึกทั้งหลายเป็นเขาถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราค่อยๆดูไปเรื่อยๆเดินปัญญาไป ต้องปรับอะไรอีกไหมคะเปี่ยนโลกค่อยๆทำทาสม่าเสมอมีสติไปเรื่อยๆนะแล้วมันจะดีเองยังมีชีวิตยอยู่จนถึงได้หยิบใหม่แล้วตป็นเป้นมากค่ะหลวงพ่อรู้ ตื่นเต้นแล้วทำไมรู้ไหมรู้ไหมว่าตื่นเต้นรู้ค่ะอยากหายรู้ไหมค่ะอันนี้รู้อย่างนี้นี่แหละเรียกว่าการปฏิบตัติการปฏิบัติไม่จำเป็นว่าจิตต้องดีต้องสุขต้องสงบนะจิตตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นฝึกไปอย่างนั้นแหละแล้วต่อไปความเข้าใจของเราก็จะเกิดขึ้นไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราสักอย่างเดียว ร่างกายนี้ก็เป็นวัตถุธาตุเป็นสมบัติของโลกที่เรายืมมาใช้ชั่วคราวความรู้สึกทั้งหลายก็เหมือนความฝันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเดี๋ยวมาเดียวไปทุกอย่างในชีวิตเราเหมือนความฝันทั้งองดูไปเรื่อยๆอย่างนี้นะจะได้ไม่หลงโลกอ้อมหลุมที่ใส่แว่นตานะก่อพัฒการหลวงพอครับเพิ่งมาครั้งแรกครับ ก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อแนะนําผลปรากฏว่าผิดแบ่ก็ค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆตามบบว่าเตาอย่างนั้นแหละแต่ว่ามันยังเป็นหลูกครับมันยังแบบมันยังเป็นวนลูกอยู่ต้องเป็นอย่างนั้นแหละถ้าภาวนาแล้วเจริญรวดไปเลยเนี่ภาวนาผิดแน่นอนถ้าภาวนาแล้วเห็นความจริงก็คือสิ่งใดเกิดสิ่งนัก็ต้องดับเจริญได้ก็เสื่อมได้เราไม่ได้ภาวนาเพื่อจะเอาชนะความเป็นจริง ความจริงก็คือทุกสิ่งที่เกิดขที่มาเนี่ยล้วนแต่ดับทั้งสิ้นทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตัดใจไม่ใช่ตามที่เราอยากนี่คือความจริงนี่เราพอนาจนกระทั่งใจเราคล้อยตามความเป็นจริงอย่างร่างกายเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่คือความจริงจิตใจเนี่ยมันไม่เที่ยงมันไป็นองควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้อันนี้คือความจริงเรียนเพื่อจะดูให้เห็นความจริงให้ใจยอมรับความจริงนะแล้วใจจะไม่ทุกข์ ที่ใจเราเป็นทุกทุกวันนี้เพราะว่าไปอยากได้ของที่ไม่จริงเรื่อภาวนาจเจริญแล้วเสื่อมจเจริญแล้วเสื่อมไม่เลิกนะภาวนาไปเรื่อยๆสุดท้ายปัญญามันจะเกิดสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นก็ดับจะเห็นอย่างนี้วก็จะได้ธรรมะขึ้นมาอา้าวใครจำเป็นขอที่จำเป็นนะ ดีใจไหมดีใจถ้าทำยังไงเรารู้ไหมรู้แล้วทำไมความดีใจมันยังเอิบอาบอย่างนั้นก็บืงมาวัดเป็นครั้งแรกค่ะหลวงพ่อหนูชรู้ถือว่าชีวิตหนูดีขึ้นมากค่ะแล้วก็หนูปฏิบัติหน้าหนูฟังซีดีฟังยูทูปหลวงพ่อจิตมันเปลี่ยนไปแล้วล่ะค่ะ บางครั้งหนูเห็นว่าร่างกายมันมั น, ม, นมันเหมือนจะแยกถูกต้องใช่ไหมคะใช่มันถูกแล้วแล้วก็หนูดูไกายชัดชัดกว่าดูจิตใช่ไหมถ<ช><ต>้าเราดูดูกานะแล้วมันก็เห็นจิตเองแหละค่ะแต่ว่ามันยังรู้สึกอึดอัดในใจะอะค่ะอึดอัดเพราะอยากค่ะใช่ไหมใช่ค่ะนั่นแหละไปดูเอาความจริงมันเป็นความจริงนะ ปฏิบัติก็ เ, เหมือนกันนั้งนันแหลเมื่อเราหาดู้ของเราไปเรื่อยๆต่อไปเราก็รู้คนอื่นด้วยนะ ร, รู้ตัวเองได้นก็รู้คนอื่นได้มันก็เหมือนๆกันเลยอย่างขนาดเนี้เราตื่นเต้นเราไปกดเอาไว้ดูออกไหมใช่ค่ะใจเราไม่เป็นธรรมชาติรู้ว่าไปกดอยู่รู้ว่าแน่นอยู่ดูไปงั้นละใช้ได้ที่ภาวนา ่เขาตอนนี้สมารถเห็นความเกิดตับของความคิดเลียวขึ้นเขาจะขอคุแนะนำจารุ <คน S 1> พร<ว>ยกมือไหนคนไหนไม่ใชว่ า, า, าไงนะเขาตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาสามารถเห็นความเกิดตับของความคิดเลียวขึ้นเขาจะขอคุแนะนำจารุพรเขาก็ดีแล้วนี่ เวลาความคิดมันเกิดนะเราไม่ไปห้ามมันหรอกเพราะว่าใจมันต้องคิดทั้งวันนะแต่พอมันคิดแล้วเกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เกิดโลภโกรธหลงหรือเกิดอะไรขึ้นมาเราค่อยรู้ทันเอาฉะนั้นจิตไหลไปคิดรู้ว่าจิตไหลไปคิดอันนี้เก่งที่สุดถ้าจิตไหลไปคิดเราไม่เห็นว่าจิตไหลไปมันจะเกิดความรู้สึกสุขทุกข์ขึ้นมาเรารู้ว่ามีสุขมีทุกข์อันนี้เก่ง ปานกลางถ้าตรงนี้ยังดูไม่ทันมีความสุขมันจะเกิดราคะเกิดพอใจเวลามีความทุกข์มันจะเกิดโทสะไม่พอใจรู้ว่ามีราคะมีโทสะมีความฟุ้งซ่านมีความสงบอะไรขึ้นมารู้ตรงนี้ก็ยังใช้ได้เพราะฉะนั้นถ้ารู้ได้เร็วเนี่ยเราจะรู้ตั้งแต่จิตไหลไปคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะแต่รู้ว่าจิตหลงไปคิดแล้ว จิตมันวิ่งไปเห็นจิตมันวิ่งไปคิดถ้ารู้ตรงนี้ไม่ทันมันจะเกิดสุขทุกข์รู้ว่าสุขทุกข์ก็ยังใช้ได้ถ้าสุขทุกข์รู้ไม่ทันนะมันจะเกิดดีเกิดชั่วไปรู้ว่ามีดีมีชั่วก็ใช้ได้ถ้าดีชั่วเกิดแล้วยังไม่เห็นยังโกรธแล้วไม่เห็นอีกนะสายไปแล้วยังไงก็ต้องถูกแล้วงั้นถ้าเห็นได้ถ้าแต่จิตเคลื่อนไปได้นะก็ดีแ ล, ะละ้วล่ะดูบ่อยๆไป ลบบาบธรัมการหลวงพ่อใช่ค่ะ่็ไงความรุนแรงของความโกรธลดลงเจ่าค่ะเพียรพยายาทเยอะค่ะเหลอแต่ก่อนมันก็พยาบามมากแต่ไม่เห็นเจ้าค่ะเรานึกว่าเราเป็นคนดีเราภาวนานะเราจะเห็นนะกิเลสเราเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมเจ้าค่ะรู้สึกไหมอย่างหงุดหงิดนะมันเกิดได้ทั้งวันเลยเจ้าค่ะ ตามองเห็นใจก็หงุดหงิดหูได้ยินเสียงใจก็หงุดหงิดใจไปคิดเข้าุืองอีกเจ้ากาเนี่ยหัดดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าจิตใจเราเป็นของไม่เที่ยงจิตใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตอนนี้<ด>แน่นหนักเจ้ากาแน่นเพราะว่าตื่นเต้นแล้วไปกดเหมือนไว้ค่อยรู้ค่อยดูไปนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะเนี่ยมันค่อยๆดีขึ้นเจ้าการเราขอบคึงเจ้ากา จากนมัจการเจ้าการหลวงปอออส่งกันบ้างพร้องค์เล็อืมแล้วไงอ่ะก็รู้สึกว่ารู้กายรู้ใจรู้สึกไห้ชีวิตมันสบายขึ้นรู้สึกกาน่แหละศึกษาธรรมะปฏิบัติไปหน้าพี่หนูาำถูกไหมคะถูกค่อย ค, อยคอยฝึกไปค่อยๆรอลดละกิเลสไป ดีเป็นฝึกีขอพระคุณเจ้าค่ะอยู่ทางนี้เขาเขาจะรู้ว่าเขาภาวนาถูกตรงไหมเขาคะแนะน้ำจะรุ่งพครับถูกภาวนาไปเถอะเมื่อไหร่มีสติรู้กายรู้ใจได้เมื่อนั้นก็ถูกเมื่อไห ร, เร่เผลอลืมกายลืมใจก็ไม่ถูก เมื่อไหรไปนั่งจ้องกายจ้องใจเพ่งเอาไว้ก็ไม่ถูกเมื่อเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยเดี๋ยวก็ถูกเดี๋ยวก็ผิดสลับกันทั้งวันไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วหน้าที่เราคอยรู้ทันเท่านั้นใจเราหนีไปคิดรู้ว่าใจหนีไปคิดใจสุขใจทุกข์รู้ว่าใจสุขใจทุกข์ใจดีใจร้ายรู้ว่าใจดีใจร้ายรู้ไปเรื่อยๆนั่นเรียกว่าเราปฏิบัติอยู่ถ้าใจเราหนีไปเราก็ไม่รู้ หนีไปแล้วเกิดสุขทุกข์เราก็ไม่รู้เกิดสุขทุกข์แล้วก็ต่อด้วยดีชั่วเราก็ไม่รู้อีกอัน mm hmm. นั้นคือไม่ได้ปฏิบัติ mm hmm. อย่าเผลอลืมตัวเองแล้วก็อย่าบังคับตัวเองให้เคร่งเครียดไม่ทาสองสิ่งนี้เท่านั้นเองเผลอลืมตัวเองไปกับบังคับตัวเองจนเคร่งเครียดไม่ทาสองอย่างนี้แล้วมันก็ถูกเองแหละเมื่อไหรไม่ทาผิดเมื่อนั้นถูกเอง ที่ถูกไม่ต้องทำขึ้นมามันถูกเองใช่ไหมถ้าไม่ผิดมันก็ถูกใช่ไหมก็ <c oughs> <c oughs> แค่ถึงง่ายง่ายไอ้ที่ผิดก็มีสองอานเองเผลอไปก็นั่งจ้องเอาไว้เคร่งเครียดถ้าเรารู้จักไอ้ที่ผิดสองตัวนี้ต่อไปมันก็ไม่ทำผิดมันก็ถูกเองแหละแม่ชีเนี่ยเรียนมาตั้งนานแล้วรู้สึกไหมมันเพิ่งจะถูก คนนี้เป็นอะไรพิชซุณีหรือเป็นสามเณรเขาเป็นพิชซุนิกาเขารู้สวาณนาอ๋อนั่นจะมีอะไรบางอย่างทำให้เขาไม่สบายแล้วก็เขาบางที่เขาจะหองไหายมันเขาเวลาเขาตั้งใจภาวนาก็บางที่เขาภาวนาไม่เป็นเขาเขาจะรู้ว่าต้องทํำยังไงให้เขาภาวนาพัฒนาขึ้นได้ค่ะ การที่เราพนานาจะเราเห็นที่กลางน้ําอกเราเนี่ยมันหมุนนะหรือมันกระเพื่อมไหวอันนี้เก่งแล้วนะเวลาตาเรามองเห็นเนี่ยที่กลางน้าอกนี้ก็กระเพื่อมหูได้ยินเสียงตรงนี้ก็กระเพื่อมใช่ไหมใจคิดตรงหนาอกนี้ก็กระเพื่อมไหวมันเป็นธรรมชาติที่จะเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อก็เคยเป็น แล้วพอเราเห็นมันกระเพื่มทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันจะเหลือแต่ทุกข์มันจะมีความทุกข์มากนี่เวลาใจมันทุกข์มากเราภาวนาต่อไม่ได้เนี่ยให้เราไห้พระสวดมนต์ทำสมาธิทาความสงบให้ใจพักผ่อนพอใจพักผ่อนแล้วมาดูตัวนี้ทํางานเนี่ยมันจะเกิดปัญญาขึ้นนะมันจะเห็นว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรหรอกมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลย เขาภาวนาได้ดีนะที่สุนีเนี่ยแล้วเวลาใจมันเล่าร้อนไม่มีความสุขก็ทําสมถะอยู่กับพุโทโธหายใจอะไรก็ได้ทําไปให้ใจได้พักผ่อนพอ ใ, ใจได้พักผ่อนแล้วก็กลับมาดูการทํางานที่กลางนาหน้าอกนี้อีกมันจะเห็นนะมีแต่ทุกข์ไม่มีอย่างอื่นเลยนอกจากทุกข์คราวนี้ปัญญาเราเดินปัญญาอยู่เราเห็นตัวนี้หมุนทํางานอยู่เราเห็นทุกข์แต่สมาธิเราไม่พอ ใจเราจะเล้าร้อนใจเราจะไม่มีความสุขเร่ยเพิ่มสมาธิขึ้นล้วก็กลับมาดูใหม่แล้วก็จะผ่านตัวนี้ได้ครูบาอาจารย์ให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากนะหลวตามาบัวท่านเคยพูดเลยอกถ้าเห็นที่ไหวอยู่กลางอกเนี่ยถ้าเป็นพระเนี่ยท่านบอกท่านไล่เข้าป่าเลยแตะทั้งวัดบ้านยังไม่อยากให้อยู่เลยนะท่านบอกท่านไล่เข้าป่าแลวให้ไปดูของเราเอง เพราะว่ามันเป็นการปฏิบัติธรรมในขั้นละเอียดแนละ้วจะเห็นจิตเนี่ไยไหวยิบยับยิบยับยิบยับทั้งวันนี่พาเราเห็นมากๆจิตไม่มีความสุขก็ทําสมาธิให้ใจมีความสุขแล้วกลับมาดูใหม่นะวกไปวกใหมาจเจริญปัญญาสลับกับการทําสมาธินะเราก็จะผ่านตรงนี้ได้เอา กราบนมัสการค่ะของโยมใช้ลมหายใจแล้วก็ข้างในนี้มันก็มีแรงดันตลอดทาะแรงดันตัวนั้นก็คือตัวตันหาทุกคราวที่อยากมันก็ดันขึ้นมาเห็นมเห็นั่นแหละตันหาเกิดทีไรทุกก็เกิดทุกทีแหละดูไปเรื่อยๆไม่ไปห้ามมันนะเห็นไหมตันหาเกิดได้เองถ้าเรารู้ทันมันก็ดับของมันเองดูอย่างนั้นนะดูไปเรื่อยๆ ไม่ได้ส่งกันบ้านนานาใช้ได้อยู่ไปฝึกต่อไปไอ้หนุ่มใส่แว่นนะจิตมันออกนอกนิดหน่อยเท่านั้นแหละจิตมันไม่เข้าฐานรู้สึกไหมจิมกระจายออกไปมันสบายนะมีความสุขมันออกข้างนอกหน่อยเยอะไม่ไม่ได้ออกมากด้วยให้รู้ทันว่าเราออกข้างนอกากาบน้ำมันส ก, การหลวงพ่อค่ะขอดูหน้าหน่อย านานั่งได้ครั้งที่สามกันลวแต่ว่าสงการบ้านครั้งที่หนึ่งกันก็ขอขามาหลวงพ่อในอดีแล้วก็เป็นฟังหลวงพ่อมาทางเฟซบุ๊กหลายปีแล้วค่ะเมื่อก่อนก็ปฏิบัติริงค่ะไม่มีอาจารย์พรู้ตัวว่าเป็นอิปัสสนอิปัสสมัท t ค่ะอตอนหลังนี้รู้แล้วออตอนนี้ก็อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าเวลาหลับตานี่ค่ะ จะเห็นแสงไฟตลอดออืทีแรกเมื่อก่อนเป็นเม็ดสีแดงๆเหมือนเวลาเราชาร์จมือถืออะค่ะวงกลมๆลอยไปลอยมาตลอดแล้วแต่จะลอยตอนหลังนี่เป็นสีสีขาวเหมือนเพชรอะค่ะออืทุกวันนี้ก็ยังเป็นอะเหมือนเป็นนิมิตแล้วก็บางครั้งก็เห็นเหมือนกับแสงไฟมันลุกระเบิดที่อยู่หลังเขาอะค่ะไกลๆกลุ่มมุมเนี้ยค่ะออืว่าเพิ่มมาแล้วก็หาย อย่าสนใจครับเป็นเป็นเองค่ะนั่นเป็นนิมิต ท, ทั้งนั้นแหละวิปัสสนูเหรอค ะ, ะไม่นิมิตนิมิตเฉยๆนิมิตกับวิปัสสนูไม่เหมือนกันนะวิปัสสนูเกิดหลังอยากทํำวิปัสสนาแล้วฟังฟังหลวงพ่อมาทุกวันให้ดูที่ใจนะเช่นเราเห็นแสงแล้วใจเราสงสัยว่าคืออะไรรู้ว่าสงสยัย<ๆ>เห็นแล้วชอบรู้ว่าชอบเห็นแล้วอยากเ ห, เ, เห็นอีกรู้ว่าอยากเรนนี้ที่ว่าเราแท้ปฏิบัติแล้ว ก็ตา ม, ามรู้ตามสัมยสติ ต, ตามรู้จิตใจตัวเองนะไม่ใช่ตามรู้แสงนะคะเออถ้าถูกหลักนี้เราก็ไปได้เองแล้วอยากจะเรียนถามว่าแยกแยกขันได้ยังแยกแล้วละ่ะเพราะว่าวันนั้นแกว่งแข่งเท้าแป่ง ข, า, งขาอยู่อะ่ะเอ๊ะทำไมมันหายไปไหนไม่รู้ทั้งทั้งสองข้างเลยนั่นแหละมนเป็นสมาธิเวลาจิตมีสมาธิร่างกายก็หายไปทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจนั่งสมาธิเออนั่นแหละมีสติไปเรื่อยสมาธิก็เกิดเองแหละ เมื่อกี้ยังสอนอยู่นะไหมมีสติแล้วมีศีลมีสติแล้วมีสมาธิมีสติ<อ>แล้วมีปัญญาขอคําแนะนําจากหลวงพ่อขออะไรนะขอคําแนะนําค่ะนั่นแหละไปทําอีกไปอย่าหลงระนิมิตนะอคอยรู้ทันใจของเราใจเราดีใจเราร้ายใจเราสุขใจเราทุกข์ใจเราชอบใจเราไม่ชอบอนะไรเงี้ยคอยรู้ทันอยู่ที่ใจจะมีอีกอย่างนะคะทำไมชอบแวบๆบแบบเห็นมันก็มันก็ ก็มีคนอะคะเออนั่นแหละนิมิตั้องนั้นแหละแป๊บเดียวนะครแค่หันมาไม่ต้องเอานะคิดว่าเจ้ากรรมนายเวมาอย่าสนใจเวนของเรานี่ยแหละถ้าเราเชื่อค่ะ <laughs> <laughs> ขอบพระคุณค่ะยอย่าสนใจนิมิตนะนิมิตไม่มีวันสิ้นสุดนะรร ม, มัสสะกันลุนโปขะจิงจิข่าวเมฆข่าวใด แล้วก็ขาก่ารลูซัวข่าเคยทั้งปะฮ่าฮ่ายแม่ใช้วิธีนี้ได้วิธีแม่ขาวได้ขาวตอนนี้ลําามากได้ขาจะ谈话่าวท้งอันนอนนต ร, นตรยกการไปทัวร์เล่ลาเข่าชันนี้จะมีโอกาสได้ทำอะรยังมีโอกาสได้ทำอะไรบางไปฆ่าแม่ตายป่ะ มัไม่ใช่ไม่ได้ ไ, ไ, ไดปฆ่าเขาไม่ได้เป็นอนันตริยกรรมหรอกออกรรมกรรมถ้าทําแล้วนะ ก, ก, ก็ตั้งใจว่าไม่ทําอีกแก็เท่านั้นแหละอดีตเปลี่ยนไม่ได้เราทําปัจจุบันให้มันดีๆแล้วอนาคตมันก็จะดีขึ้นอยา่าไปคล่ําครวญถึงอดีตความผิดพลาดในอดีตทุกคนเคยทําทั้งนั้นแหละ นี่เราทิ้งมันไปเราตั้งใจว่าไม่ทำผิดซ้ําแล้วก็มีสติอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆดูร่างกายทำงานดูจิตใจทำงานเรียนรู้ตรงนี้ไปตัวนี้เป็นบุญที่ใหญ่มากแล้วถ้าฝึกมากๆเข้านี่เวลาเราจะตายนะบุญที่ใหญ่ๆนี่มันจะเข้ามาทำงานนะอย่าไปนึกถึงอดีตที่ไม่ดีอยู่กับปัจจุบันไปนะ แล้วชีวิตจะดีขึ้นจางนี้ตื่นเต้นมากอย่าให้หัวใจวายนะที่นี่ไม่มีเมนไม่มีสลาตั้งศพกราบธรรมสการเจ้าค่ะหลวงพ่อเห็นหรือเปล่าว่าจิตเราเปลี่ยนไปแล้วเจ้าค่ะเห็นเจ้าค่ะ เราอย่าไปยึดถือความคิดความเห็นเยอะนักดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นดูไปเรื่อยๆอย่าไปยึดถือเจ้าความคิดเจ้าความเห็นอะไรเงี้ยยึดมากไปแล้วมันจะทุกข์้นถ้าใจเราไปยึดถือในความคิดเห็นแล้วก็รู้ทันใจเราเป็นยังไงก็คอยรู้ทันไปที่ฝืก อ, อยู่ใช้ได้ไปฝึก อ, อีก ก่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะหลวงพ่อเราเชิญกลับบ้าน